太慢了。 เจียมเรื่องเลยห้ามีห้าคนมีห้าผู้ดทำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวเออเดวเอาเอาปากันไหว้พระยอร่อๆนะยอ่อไหว้เพงนยายผมมันนั่นเละ ม, มันกะดุ ก, กระดียากเหลือเกินวหว้ยอ่อๆไหว้ยอ่อๆเยงนี้ ฉันนํา้าไปหรือฟ้องกันทีเดียว เจียมเรียมเลยเนี่ยก็เจียมเลยเขยับไม่ขยับอันนี้เข้ามามได้หาสบาดหาสบาดแปลว่าอย่างไงยังเข้าใจไมใหมแปลว่าอะไรหาสบาหาบา อัฐภาสังแปลว่าบ่วงแหงมืออัฐภาสรั้งคือบ่วงแหงมอเอาตัวออกมาอา๋อไอ้ว่าไปตามนั้นเลยละ่ะ้าแล้วพระทั้งหมดเท่าไหรน่นี่มารวมดีนี่เท่าไหร่ อะไรห้าอืมเอาเอาเริ่มเลยอ่เริ่มเลยวาคราโตภูเบะุิจังกาตังโตตะมาจัาบุตรลนัจา่ปัญญจปนปริุนิปทััจ ฉันดาหะนังพูนังฉันดาหรนนจะเตสนวะอวาราังวารายปอาหรนัอุุขานัจ่กนัจีนมวาดูาติสถภูริเมตุเจตุตุกิเตสิิสติการญาณิสุริยาโลภะสะอักิตาญาณิอัานิิูนงวตังเานันเตยีทีูยีกาานิปริิิานหนติ ข า, าหารนาพวารนอาหาราม น, นาอิสังอัสติมายงตาังวิจิวิจิตรวานิ น, นานาีกุนังอาวโตวนติอุตุานังนามาเอตระังอติคันงเอตะังอาวสิทันติเอวังอุุ อ, อตินังตนีาปนาซาสเสนเมันตะกิมหาวาานังวาเตนติเห้อนติ อาญงวาท่านโอตุอิมัลสมินจจะอุตุมเฮอธิกมาสวัตเซนันาว่าจ้าอุโปโพท่าเอกาจะปะวารณาอินนาประเทนัเอกาปวารณาสัมพตาตาเสต้ธธาอุปโพท่าอาิกันตาต เวอุโคสธาวสิวะอีติเอวังสเบหิอาญมันเตหิอุตุพานังาเรตัวังเอนอนามามมาสิงปวารณาเกียปวารณาท่ายสนิปิาิคุเอตาติุกกนาไมมาสินักปวารณาเก ปัญญาปัญญาสัตย์กุศลนิพ n ติฐานเที่ยที่สเปหิอาเสมันเที่ยหิปุปะโนนับถืออารยทัพว่าหิปุปะโน s ับถืออารยวาหิปุปะโนนับารัพว่าหิปุปะโนออ n รยทัพว่าหิปุปะโนนับถารัพปุปะโนนับถืัพวาหิปุโนนัถาัปุปาัปะัยาปนาันััปุปั ปะเรนิทีตังโอติเนเจจักุปปิเจสเจโซลิวโซจัตุตสิปนนราสซาเมกีนมยัตตโรยถาจักวารณาปนโนราสียาวติการจักทีกัมมะปตาสัง s าปวารณาระห้าปัญจวัตโตวาติเรขาปะปะตตาภาราจิกังอนาปนัสังเจวานุกิตาเตจักโหหัตตาสังอาวิสตวะเอกสีมายังสีตาเตสันจักวิการปโฌนาบิวเสนะ วัตถุตบหาญาปติโยเจนวิจันติเตสัจหาทภาเสหทภาโสไมฮิการนอวะเตนวะเจตโบกจิปัจจงยัปกโลเจนติเวันตังปวารณาธรรมอิเมหิจตุหิลักษณ์เมหสังกายิสังขตะกลังนามาโหติการตรงิตรูปัง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 สุนารุเมฆันเตสังโฆอาเจปวารณาพนารสียาดิสังขัสสะปตะคำวังสังโฆสมานุปสิกังกวารยะอ้ถ่ยกันไหขึ้นกันนะผูกเขากำลองาน้ำก่อใช่ไหม ฟินอรกวาซังค be ังอาวุโสปวารณิธรรมดิเทนวาสเตนวาปริสังกาโยะ วัดันตุมังอายสัมันโตอนุกัมปังอุปดายปัจสันโตปฏิกริสาไมดุติยัมปีเอาโซสังขมภวะเดมิดิเซนวาสุเตนวาริสังายวาวันตุมังอายสมันโตอนุกัมปังอุปาย ปัจสันโตปฏิกริามิตัดที่ยัมพีอาโสังข ampo วาริมิดิทัยนาวาสุเตนาวาปริสรางกายวามดันตุมังอสมันโตอานุกัมปงอุบารดายะ ปัจจันโตปติกริชามิาามเสร็จแล้วนะเนาะต่อไปเรื่อยๆอผมไจะนั่งผมจะนั่งนั่งเออนั่งนั่งแบบไห้ก็นั่งแล้วทูไข่อย่างว่าลนะ่ะโอ้มันขัดหัวอย่างเอ้า ภาวัใดมีแต่เนวะสุนวิสังข aya วาวัดันธุมังยสมนุัมภัูปายพัสันโตปะฏิการิสัมมีดุติยัมผีปันเตสังขังภาวใดมีตนวสุนวิสังข aya วาวัดันุมงยสมนุัมภัูปายสันะิกริสม ท่าเทียมพีบันเทสังคังปวารมีเดเทนวาสุเทนวาปริสังกายวาวาดันทุมังายสมทวนุกัมภันุพาดายะอสัทภาริการิสามผูาพูดาวณาให้ได้ยินทั่วถึงกันเทียมวารมีเดเทนวาสุเทนวาปริสังกายวา วัดดั่งตุมังอาสมันโตอนุกมังอุปารายะปัสันโตปติเรสมิดุทิยมปีพันเตสังขังปวารเเรมินิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัังตุมังอาเยสมันโตอนุกรมรัอุปารายะปัสันโตปติเครสะมิดุิยมปพันเตสังขังปวารเเรมินิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวา วันันตุมังอายสเม็โตอนุกรรมพังอุปารยาพสันโตปติกครามิสังโฆสขันิาิเชนวะสตินสังาวดันตมัาสเมโตอนุกัง ฉันมั่นรัในความรัก คำว่าปวรณ์คำว่าปร ว, าวาปรณาพระจะไม่ทราบก็มีนะ <c oughs> เวลานี้มันจะเป็นเพียงพิธีทีททยะออกมาจากความไม่มีธรรมในใจไม่มีวินัยในใจแล้วนะเพราะว่าสังค์คำบันเตปะวาลมีคือปรวรณาตนเปิดโอกาสตนจะส ง, ท, งทั้งหลายที่นั่งรวมกันอยู่นี่ <c oughs> ด้วยการคือเปิดเผยเปิ ด, ป ด, ปดโอกาสให้การแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ผิดภลาพประการใดได้เห็นก็ดีกิริยาการที่ไม่ถูกต้องนั้นได้ยินก็ดีกิริยาการแสดงหรือการพูดออกมาหรือได้สงสัยก็ดีแล้วนี่แหละแล้วให้ตักเตือนสั่งสอนเมื่อทราบแล้วจะได้ปฏิบัติแก้ไขแลกแปลง ต่อไปวามหมายว่าอย่างนั้น <c oughs> ความภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเปิดโอกาสไม่ให้มีทิฐิมานะต่อกันไม่มีคำว่าชาติชั้นวันนะเป็นสังฆะหรือเป็นพระสงฆ์สากยะยบุตรเป็นอันเดียวกัน <c oughs> เปิดโอกาสให้กันเพราะความรู้เรารำพัง คนเดียวเราไม่สามารถที่จะรู้รอบได้ในทิยาความเคลื่อนไหวของตอนจึงต้องอาศัยผู้อื่นคอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนนับแต่ครูบาอาจารย์ลงมาถึงพระเพื่อนสูงด้วยกันคอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนกันเปิดโอกาสให้กันเพื่ออัดเพื่อทำไม่ได้เพื่อทิฐิมานะฐา น, นะสูงต่าอะไรเลยสิ่งนั้นไม่ใช่ธรรม ความเป็นธรรมก็คือความเปิดโอกาสเพื่ออัดเพื่อทรรมคือความถูกต้องดีงามแก่ตนเมื่อเห็นท่าน ผ, ผู้อื่นผู้ใดได้เห็นความไม่ดีไม่งามของเราที่แสดงออกด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สังเกตสงสัยก็ดีท่านนั้นก็จะได้เตือนเราก็จะได้รับไว้ประพฤติปฏิบัติ เรื่องทิฐิมานะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสการเปิดโอกาสตักเตือนซึ่ง ก, กันและกันนั้นเป็นเรื่องของธรรมเพราะเราอยู่ด้วยกันหลายคนอาจมีความผิดพลาดจึงต้องเปิดโอกาสให้นำหรือตักเตือนซึ่งกันและกันได้ให้พากันเข้าใจตามนี้นี่แหละพระอวาจของอริยเจ้า ถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตามพระาว่านี้อยู่เราทุกคนเท่ากับศาสตราประทับอยู่บนศีรษะของเราคือพระธรรมพระวินยัยซึ่งเป็นองค์แทนของศาสตราเราปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอยู่นี้เท่ากับเราเทิดทูนศาสต า, ศาประหนึ่งพระองค์ประทับร่างอยู่บนศีรษะคือหัวใจของเราทุกคนทุกคน นี่เป็นธรรมโสตลดลอนๆธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นความคลึกความล้าสมัยดังเกเรที่มันล้ำยุกล้ําสมัยเหยียบย่ําทําลายศา ส, สนาคือธรรมวินัยอยู่เวลานี้ดาดเดินจนเกิดความสลดสังเวชนี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยแต่ดาดเดินในศาสนาทุกวนันนี้มีแต่ของปลอมเต็มบ้างเต็มเมืองเต็มวัดเต็มว่า ถึงน่าสลดสังเวทพวกเราทั้งหลายผู้มู่วัดกุ้งทำอย่าให้มีกิริยาอาการอย่างนั้นออกมาทางกายทางใจทางวาจาทุกอย่างเป็นอันขาดนี่เรียกว่าเทิดทูนพระศาสดาคือหลักธรรมหลักวินัยด้วยอาการแสดงออกของตนทุกอย่างให้พากันจําเอาหนาเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นนะะเอาพากันกลับจ้ะ กับหมดเลยครับแล้วผมก็ขเอากับ เ, เอากับออนเออเอาเอาเลือกกันได้เลยอ้ดูมันดูไม่ตึงอ่ะมันอ่อนเนี่ยเขาอ่อนรขาเขาลูกไม่ตึ นี่สายใต้รอบนะฮะ